สำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยกานสมาทานพระรัตนตรัยแล้วต่อไปให้ตั้งใจศึกษาธรรมะปฏิบัติเพื่อความสุขของจิตต่อไปสนหับการที่จะศึกษาต่อขอทบทวนต้น เป็นการแนะนำตามมิธีการปฏิบัติที่แท้จริงเพื่อการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานจ ร, จริงๆที่เขาทำกันได้เมื่อเริ่มใหม่ๆเขาะจะลดทวนจากของเก่าไปก่อนพยายามตรงอรมจากของเดิมที่ได้แล้วตามลำดับไปถึงที่สุดที่เราเพลิได้ได้วจริงจะทำต่อใสหรับวันนี้ก็คือคอเปืน่น ให้ท่านอย่างไรตามนึกถึงสติสมัชัญยะซึ่งเป็นอันดับแรกที่เราควรปฏิบัติในเบื้องต้นด้วยสมบัตสมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงกำหนดรูลมให้ใจเข้าใจออกนี่หมายถึงว่าทรงสั่สอนให้เราเป็นผู้มีสติสมัชย์ยะอยู่เสมอสติบรว่าการรึกนึกได้ว่าเวลานี้เรามีภาวะเป็นอะไร ลึกว่าเราจะทำอะไรสัมปชัญญะทราบดีว่าจิตนั้นเราทําแล้วหรือยังเมื่อรมจิตที่คิดว่าเราจะทําอะไรการนั้นที่เราทํามันควรหรือไม่ควรเราจะรู้ได้ด้วยสัมปชัญญะเมื่อจิตที่เราคิดว่าจะทํานี้สัมปชัญญะจะบอกได้เลยเพราะว่าอันนี้เป็นกรรมที่เป็นกุศลและกรรมที่เป็นอกุศลด้วยความดีด้วยความชั่ว ทำตัวให้ไม่ลืมสติสัมปจนยะลึกไว้ในด้านอความดีและระมัดระวังความชั่วไม่เกิดพยายามรักษาลมไม่ให้บกกราองในด้านของความดีพยายามลดรอนความชั่วไม่เกิดขึ้นกับจิตเรียกว่าจริยาธรรมต่ารม์ของจิตทั้งวาจาและกายเราจะต้องระมัดระวังคือใช้สติสัมปจนยะควบคุมอยู่ตลอดเวลา แต่จิตจงอยู่อย่างนี้ชื่อว่าอารมณ์ปสมาธิอันนี้เรามีแล้วอย่างพวกเราเราม่ต้อวังคือเปล่าแต่การที่สองอค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไนดะ้ลำบากเราจงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่ทําลายศีลด้วยตนเองไม่ยุยงบุคคลอื่นให้ทําลายศีลและไม่ยินดีมาหุบคนอื่นทําลายศีลแล้ว โดะการดี 3, สามทรงแนะนำให้ระ ง, งับที่วอนหา้าประการโดยการดีรร 4, สี่ซ้ำจิตให้เข้าถึงพรหมมีหางสี่เป็นปกติอารมณ์อย่างนี้ที่เราจะเพิ่งเข้าถึงพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นการเข้าถึงเปลือของศาสนะาการอย่างนี้จิตของเราพร้อมหมดลบริบูบบบรณ์แล้วหรือย่าง ถ้ายังไม่พร้อมกับปรับปรงใจให้พร้อมแต่ความจริงศึกษากัะมานานถ้าการอย่างนี้ไม่พร้อมชาตินี้จะเห็นจะไม่แคลเอาเวจีกันแน่อ <c oughs> ันดับแรกที่มีความสําคัญคือสติสัมปชัญญะแต่การอย่างนี้ไม่พร้อมก็สแสดงว่าพวกเรายังไม่มีสติสัมปชัญญะ ถ้าศึกษากันมาขนาดนี้ไม่มีสติสัมปชัญญะการรับฟังวันณหลายเวลาจะกลายเอาหูเป็นหูตาเป็นตากระทูหูเป็นหูกระทะใกล้ตากระทูนที่มันมองอะไรไม่เห็นหูกระทะมองอะไรไม่ได้ยินก็จะรู้สึกว่าจะไม่ทันแกความดีซะแล้ว คที่มันจะติดตามเข้ามาก็คืออารมณ์ที่เป็นอกุศลบกร้องในสติสัมปชัญญะที่ควรจะต้องทบทวนไว้ตลอดเวลาและโดยการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมใจกล่าวว่ามรรคต้นที่บุคคลเราจะเข้าถึงเป็นของง่ายนั่นก็คือมรณานุสติกรรมาฐานมีประจำใจหรือเปล่า พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกมาทานสีลานุสติกมาทานเทวานุสติกมาทานหรือลิโลตรปัจแ้วอุปสมานุสติกมาทานก็คือการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้เรามีแล้วอยังศึกษากันมานานถ้ายังไม่มีก็รู้สึกว่าแย่แก้ตัวไม่ทัน มี่กระทบทวนจิตใจไว้เสมอว่าอะไรที่เ ร, ราจะควงปฏิบัติในการต่อไปองค์ ส, สมเด็จพระสุรสวัสด์แนะนำให้ใช้พรมวิหารสีให้เข้มข้นจนถึงอภัยทานที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้เปนอาการของพระโสดาปฏิผลเมื่อทำดีของตนให้เป็นอภัยทานทความกลัวความผิดบาปเกิดขึ้นมีความรู้สึกตัวไม่ที้โทษโกรธต่อไปให้อภัยแก่คนผิด ให้อภัแจงบุคคลผู้คิ ท, ทธิ์ประทุสลายจะม่ถือโทษตัวเขาและพยายามกําจัดความโลภเดชชาขานุสติกรรมฐานพยายามพยายามกำจัดความโกรธโดยอาศัยสมมีหรรันจีมีความเข้มขน้นพยายามกจัดความหลงให้ยิ่งกว่าเป็ะโซดาบางังคืนหลอกจากจะนึกถึงความตายแล้วก็คิด่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พาะเรา เราไม่มีเนื้อร้กายไร้กายไม่มีเน้เราสภาวะของร่างกายมีการสลายตัวเป็นที่สุดชีวิตไม่สามารถจะคงทนตลอดตลอดการตลอดสมัยไปได้ถ้าเราอย่าตายเราก็ตายอย่างคนดีด้วย อ, อยู่อยู่แย่างคนดีว่าตายเป็นผีแล้วก็ตายเป็นผีดีอย่างนี้แปลกายของเขาสกิทาคามีผนอย่างนี้บรรดาท่านหลายทุกท่านทําได้แล้วทุกอย่าง แล้วได้ันดับไหนไม่กำลังใจคนตัวไว้คือต้องทบทวนการไว้เป็นปกติไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้าและไปหลีมข้างหลังากายของพวกเรามันมีอยู่ที่ศึกษาไปไกลแต่ว่าจริยาที่ทําไม่ได้อะไรเลยอันนี้มีอยู่อรู้ตัวไว้มีหลายท่านด้วยกันยังไม่ได้อะไรเลยแม้แต่สติสัมปชัญญะขั้นต้นก็ยังไม่ได้ ในบางทีเราจะนึกคืคคบๆมาสุดสายกันนานคุณจะไปสวรรค์ไปพรหมไปนิพพานแต่ถ้าโดยอาการที่ไร้สติสัมปชัญญะแล้วก็อย่าหวังเลยการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ก็ไม่มีทางจะเกิดเมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้ตา น, นิกลามาเป็นได้ก็สกิธาคามีสำหรับพระสงฆ์น่าบันก็ดี เรื่องสกิทาคามีพอดีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นด้านอนธิสิณสิกษาเป็นผู้มีสิญยิ่งมันเอามันเทาความกรัวความเจาบบาดบ้างตามสมควรนื่องมาถึงนายคาร์มีผลอารมณ์ทรงตัวในด้าสมาธิคําว่าทรงตัวนี้ไม่ใช่หลับตาปิงลืมตาอยู่อารมณ์ความดีทรงตัวเ ป, ป็นปกติแล้วก็มีความเข้มข้น คือทงรงอารมณ์เป็นชานมีความหนักหน่ในการทรงจิตนั่นก็คือมีความคิดเห็นต่างความจริงในด้านสกายยะทิฏฐิและสุภกรรมฐานเห็นว่าสภาวะร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดม ท, ทั้งหมดเต็มไปด้วยความสุขภโลกรวมกับวิปัสสนาญาณเห็นว่าสุขภแล้วก็รู้สึกคุณภาพร่างกายของเราดีข อ, ของเขาก็ดี เกี่ยงในพลังธาตสี่เข้ามาส่งกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและมีความเปลี่ยนแปลงไปทํากรามมีการสลายตัวไปในสุดมีความดังเกียรติในร่งกายที่เรียกว่านิจทายานและมีลมเฉยในร่ากามารลมทั้งหมดที่เรียกว่าสังขารุกขายานมีอารมณ์ทรงตัวไม่มีความรู้สึกในเกสพไม่มีความกระันในเสพ แล้วก็ไม่ติดใจพอใจในรูปเสียงกลิ่นลดแนมะ้แไม่ใช่คนเป็นวัตถุก็ตามสีสันบรรณะที่เรียกว่าสวยเราเห็นเป็นของธรรมดาไปกลิ่นที่เรียกว่าหอมเราก็ไม่มีความรู้สึกในการติดใจรดสัมผัสในใดที่พึงเปน็นที่พอใจของผู้ตุชนคนธรรมดาเรางดเว้นได้อาราไม่มีความรู้สึกในความตรงกรัน สำหรับความโกรธความเหยบาสนั้นไม่เกิดกับจิตแม้แต่ปฏิฆะอารมณ์ที่ไม่พอใจคือกำลังใจที่สร้างความสนุกให้เกิดความไม่พอใจกับวาจานัก จ, จริยาของบุคคลอื่นที่ทำต่อเราอันนี้ก็ไม่มีเพราะไสยเหนิ่ยมมีหางสีเต็มภาคภูมิแล้วมีสิกามีกายสกายิทิฏฐิ มาดยว่ามีความรู้สึกว่าสภาพแรงกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราอารมณ์ใจที่ทำให้เกิดความไม่พอใจกับบุคคลอื่นเรื่อที่บุคบคลอื่นทำก็ให้เกิดกับเรารู้สึกว่าไอารมณ์นั้นแปล อ, อารมณ์ของธาตมันแปลอารมณ์ของธาตของกิเลสตัณหาความทานานันและกุศลกรรมทำใจมีความปลอดโปร่งที่อารมณ์อย่างนี้อารมณ์จิตสบาย เป็นอมัสไรกรรมฉันทะกับปฏิฆาดมีอารมณ์จิตเป็นสุขเป็นสุขอย่างมากเ ท, ท่าเท่าที่เราเคยจะพบกันอารมณ์สบายจะมีอารมณ์อยู่บ้างความหนักที่บ้างตัวนิดหน่อยเหมือนกับเราเคยแบกช้างแบกช้างมาแล้วมันหนักเนี่ยกลมใหม่เอากลับมามแบกเสร็จด่ เศษกระด้ก็เป็นชิ้นเดียวเล็กๆแค่ ก, ก, กดาษพุทธแกพลงน้อมพิจารณากันดูไอ้ช้างกับกระดาษพุทธแกพหนึ่งนเนี่ยมันหนักเท่ากันไหมความรู้สึกเขาประโยคาวาจชอนในระดับนี้จะมีความเบาจะมีความสบายก็ลองพิจารณากันไปไว่าไอ้การทุกข์ของเราที่มันทุกข์ใหญ่แล้วมันมีอะไรเป็นสคัญ ที่เราทุกข์กันจริงๆก็ทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรามันเป็นของเราแต่เราก็ไม่อยากให้มันเสื่อมมันโทรมไปไม่อยากให้มันสลายตัวคือพิพัฒน์ร่ายจากกันแต่อารมณ์เพราะเกิดเขามีนั้นมาในตอนนี้นั่นทุกสิ่งอารมณ์จิตมันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นธรรมดาไปหมดเห็นร่างกายของความเกิดของเราคนดีเขาเป็นคนอื่นคนดีเป็นของธรรมดา ความเสื่อมโทรงของร่างกายของคนในสัตว์ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาการจะสลายไปของวัตถุและของร่างกายของคนอื่นและของเราเป็นของธรรมดาตอนนี้มาในด้านโลกธรรมความมีลาบลาบเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกว่าราบนี้มาสลายตัวแน่ มันไม่สามารถจะทรงอยู่คู่กับเราไปได้มันรักสลายตัวไปก็มีความไม่มีความหวั่นไหวมีการสะเถือนใจที่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาท่านได้ยศมาก็ไม่มีความเมาในยศเห็นมีความรู้สึกว่าคนที่ได้ยศฐารดาศักดิ์คนที่สูงเลี้ยวยศเฮศศีสูง แต่ภายเนีไม่ช้าไมนานยศก็สลายไปเพราะการทำลายของตนเองและบุคคลอื่นถอดถ อ, อ, อยขึ้นเลย่อที่คนตนโยกทรงยศใหญ่เมื่อตายแล้วประสิทธสภาพของความมีผู้มียศเห็นว่าการได้รับยศฐาบวันดาศักดิ์ไม่มีความสำคัญของชีวิตไม่มีจิตผูกพันในยศไม่ถือว่ามีความสำคัญ เห็นว so no no no ่ายศไม่มีความสำคัญแล้วก็มาเวลายศจะต้องถูกถอดไปจะต้องสลายไปด้วยการได้ประกันหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเป็นของธรรมดาไม่มีอะไรที่น่าจะเกลื่อนใจหรือว่าได้ยศหรือไม่มีเไม่ได้ยศเราก็มีสภาพเท่าเดิมแก่ลงไปทุกวันมีอาการความทุดโทรมนิทรรนตลอดทุกวันและมีความตายเป็นอดิีต ให้อารมณ์ขโลกกระทำในก่คทำสั่งเสละนินทาฟัางคำสั่เสงของคนไม่มีความรู้สึกดีใจรู้สึกแปรการปกษษติว่านี้เรื่องธรรมดายขโลกเราก็ต้องมีการสั่เสงกันเมื่อมีคนสั่เสงได้ก็ต้องมีคนนินทานได้บางทีบางคนคนเดียวกันบางครั้งสั่เสงเ ย, ย่นย่อเราที่จะตาย แต่บางไก่เขาก็ทําลายความสนญเสียด้วยการนินทาเข้ามาแทนโดยทถืว่าการสูเสียนั้นทางการนินทาเป็นของธรรมดาของชาวโลกที่เกิดมาจะต้องมาทุกข์กระทอย่างนั้นอันนี้องค์สมเด็จพระสูงธรรมมรรมาสัจฉณาไม่ที่เอาให้สาระสําคัญโดยทรงแนะนําว่าการนินทาและสนญเสียไม่ได้ทําให้คนดีด้วยคนชั่ว ถ้าคนเราทําความดีแล้วใครที่นินท้าว่ายัางไงก็ตามทีเราก็ไม่เลวไปด้วยเมื่อมีเป็นคนเลวก็จะสรรเสริญว่าเราดียังไงก็ตามเราก็ไม่ดีไปตามคําเขาว่าดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกาลังใจถ้าใจของเราบริสุทธิ์ฟุดฟ่องที่อย่างเดียวใครจะว่าดีว่าชั่วไม่มีความสําคัญใครจะเป็นนำเราว่าเลวมันก็เลวไม่ได้ มันก็ต้องดีนี่ตลอเวลาถ้าจิตคนเราชั่วเขาจะสนเสริมมาดีไม่คนดีไม่ได้เหมือนกันนี่เป็นอันุภาพพระพุทธเจ้าให้ทรงรักษากําลังใจเพื่อสาคัญว่าควบคุมกําลังใจให้ดีไว้แล้วมันก็ดีเองไม่ต้อไปฟังคําชาวบ้านเขาการที่เราจะต้องดีเพราะรอชาว บ, บ้านสนเสริมนั่นมันเป็นอารมณ์ของความชั่ ว, วนี่ความสุขความทุกข์ของโลก มีความร้อนเกินไปหนาวเกินไปมีความหิวมีความกระหายมีความปวยไข้ไม่สบายกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่พอใจบ้างพอใจบ้างความแก่เข้ามาถึงความตายะเข้ามาถึงความพับเพลากจของรักของชอบใจจะเข้ามาถึงอาการทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เป็นกฎธรรดาที่เราจะหลีกเรื่องไม่ได้ความสมบายใจมันเกิดจิตอารมณ์จิตเจอสุขเนีอารมณ์ของพระนาคามีมีความสุขใจแบบนี้ไม่มีอะไรเป็นที่รับสัมผัสเหตุความทุกข์มีอารมณ์จิตสบายแล้วตัวสําคัญที่ร้ายที่สุดที่สร้างความสุขสร้างความทุกข์ก็คืออารมณ์ความรักในกามอารมณ์ที่ตัวสําคัญ เป็นตัวสร้างเหตุร้ายให้เกิดขึ้นกับจิตและเหุ้ายให้เกิดขึ้นกับกายถ้าใส่ความรักเป็นสำคัญที่เราย่าต้องเศร้าโศกเสียใจเพราใส่ความของรักกักรากจากไปใัยอันตรายจะเกิดขึ้นกับเราเพราะโทษสาพยยม บ, บัตไม่จเกิดขึ้นจะต้องประทุธร้ายเซ่งกันแต่งกับว่าสิ่งที่เรารัก ในความรักกินเนื้องกามารมณ์มันไม่มีสำหรับเราแล้วมันจะมีภัยอันตรายมาจากไหนจะมีความเศร้าโศกเสียใจมาจากไหนตอนนี้เป็นว่ากินเล็ยาหมดไปทีพระองค์ทรงเ็จอมไยว่านี่เป็นอาทิตจิตจสติกขาก็หมายความต้องทรงอารมณ์เพื่ได้ความรู้สึกอย่างนี้เป็นปกติมีความเข้มแข็งคอที่ไม่ย่อยท้อจะทำลายความดีส่วนนี้ไปจากก มันจะส่งอยูได้ทุกขณะจิตที่ตัีวิตที่ต้องส่งอยู่ต่อไปศึกษาธรรมะโอสมเด็จพระบรมครูต่อไ ป, ธธอ น, อไปนี่เราทบทวนความจํากันว่าสิ่งที่เราศึกษากันมาถึงอนาคามีนะแต่ความจริงเนี่อแท้จริงๆเนี่ยเราถึงไหนกันแนะ่เพราะวัดปฏิบัติที่เราปฏิบัติได้เวลานี้มันถึงไหน นี่ต่อไปอีกแตนิดหนึ่งผมว่ากา้กล่าวการก้าวคำสู่ความเป็นอรหัตผลค่อยๆไปอย่าไปให้มันแรงนักไปแรงนักขาบินนี่ไม่ดีกับแรงต่อสนนนี่เมื่อดูสังโยตโตที่หกกับสังโยตัวที่เจ็ดรูปราคะอรูปราคะพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระอรหัตมร นี่เป็นอนาคามีผลแล้วนะเข้าถึงอรหัตมรักก็มานั่งพิจารนารูปฌานนารูปฌานตัวว่าพระอ น, อนาคามีนี้เคร่งครับมัธยัติในรูปฌานและรูปฌานและรูปฌานอย่างยิ่งตัวครามีาจิตเกาะฌานแกเป็นสำคัญไม่ยอมให้ชาญค่าจากจิต ไอ้คำว่าชาเนี่ก็คืออารมณ์กุศที่เป็นกุศลเกาะหนักหน่วงมากไม่อยากให้มันคลายอารมณ์อารมณ์หนักไม่ใช่อารมณ์เบาตอนนี้เราจะมานั่งพิจารณาต่อไปว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะเป็นอนหรหันและเก็ต้องพยายามยันหลงในรูปปัจจานะรูปปัจจัเกินไป เึงทาความรู้สึกว่ารูปปฌานและรูปประชานนี้เป็นบันไดสาหรับก้าวความไปสูงเข้าไปถึงความเป็นอนันต์เท่านั้นเป็นกาลังที่จะส่งเราไปสูงขึ้นไปจะติดอยู่แค่นี้ตอนนี้ก็ไปขอไม่อยากเป็นเป็นได้โปรใสวามจริง่งจะว่าไม่อยากก็ไม่ใช่ถ้ายังโง่อยู่เขาก็ติดถ้าเลิกโง่ก็ไปง่ายๆเพราะตอนนี้เป็นของง่ายแล้ว เพียงรักษากําลังใจทรงรูปประฌานเลยหรือว่ารูปประฌานให้ทรงตัวแล้วก็มีความรู้สึกยึดเสมอว่าเราจะไม่ยับยั้งโยกเพียงแค่นี้เราจะแสวงหาความดีต่อไปเพราความดียิ่งกว่านี้ไม่อยู่แต่เราก็จะรักษาความดีที่โองค์สมเด็จพระบรมโกรณาดำมาในขั้นต้นคือรูปประฌานแล้วรูปฌานส่งอารมณ์ไม่เป็นปกติ แต่ก็ไม่หลงในรูปฌานและอรูปฌานคิดว่าความดีจากนี้ไม่อยู่ที่องค์สมเด็จพระรมาโคแนะนำไว้ว่าต้องทำลายอาวิชชาความโง่ให้ได้แต่การก้าวที่จะเข้าไปทำลายวิชานั้นจะต้องค่อยๆไปตามลำดับจับันดับปลายทีเดียวเพื่อที่ลมจะเฟือ้อนั่นก็คือก้าวเข้าไปสวดจับมานะความถือตัวถือ ต, อตน โย่สมเด็จพระทศพลว่าเป็นตัวปีเลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะรเพรว่าไอตัวมาณะความถือตัวเถือตนนี่คือความลําบากโอสมเด็จพระพุูมีประภาคเจ้าให้วางภาระคือการถือตัวถือตนเสียแต่ว่าอาการอย่างนี้จะกล่าวไปก็ไม่มีเวลาเพราะการเวลาที่จะพูดหมดแล้วต่อจากนี้ไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย รลบรองกำลังใจให้สรงตัวพยญยากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าและให้ใจออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกตัวรู้ลมให้ใจเข้าใจออกเวลาฝึกนี้เป็นการฝึกสติสัมปชัญญะแล้วเวลาที่เราจะทำงานทำการใดๆก็ดีต้องใช้อารมณ์นี้ไม่ใช่ไหมวันนั่งนับลมให้ใจ เมื่อเราจะทําอะไรนิดไว้ว่าเราจะทําขณะที่ทําไปแล้วก็รู้ตัวว่าเราทําแล้วที่การฝึกรู้ลมหายใจเราออกก็เพื่อผลงานในงานที่เราจะทำเป็นงานควรแลือไม่ควรที่ทําไปแล้วมันดีแล้วมันเล็วรู้ตัวนี่ส่งวันตลตอดวันแบบที่ไม่ใช่ว่ามันนั่นฝึกรู้ลมหายใจเข้าออกกันแล้วเวลาเร่งไปแล้วก็ทําความใยําทุกอย่างสิ่งที่ควรทําไม่ควรทําก็ทําได นี่มันก็หมายถึงว่าการฝึกไม่มีผลฝึกไปฝึกมาไปอยู่กับเทวทัตหมดไม่มีเกิือเรือตอนนี้ไปเขาจะหลยามแั้งกายให้ตรงดำเนิจิตให้มันกำหนดรูดล้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนานและพิจารณาจนกว่าจะดินทัญญาณบอกหมดเวลา